อีกปัญหาหนึ่งนนะอุทกศัตรีวะปัญหาหนกเนเอ่อพระเจ้ามิดินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษตน้ำที่ถูกต้มอยู่บนไฟนี้พอเดือดก็ส่งเสียงวิซีดซีดเนี่ยนะล่าอย่างนะเคยได้ยินเสียงน้ำเดือดไหมอย่างนั้นแหละ พระกุณเจ้าน้ำมีชีวิตหรือหนอส่งเสียงเล่นหรือหรือว่าถูกสิ่งอื่นบีบคั้นก็เลยส่งเสียงร้องน้ำมันเจ็บปวดมัากมันเลยร้องให้เวลาถูกต้มได้ยินไม่เสียงน้ํามันร้องให้เหมือนกันคลอกคล อ, คล อ, คล อ, คลอดังขึ้นมาเลยเงี้ยขอถวายพระพรมหาบาพิษน้ําหามีชีวิตไหมชีวสัตตะไม่มีอยู่ในน้ํา ขอถวายพระพรแต่ทว่าเพราะความที่กำลังความร้อนแห่งไฟมีมากมายน้ำจึงทรงเสียงวิวิซิซิซล้าอย่างด้วยกันน่นะแต่เดือดก็คลอกคลอ ก, คลอกเลยนะพระจามิลินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าพวกเดรัธีบางพวกในโลกนี้คิดว่าน้ำมีชีวิตจึงปฏิเสธน้ำเย็น ทำน้ำให้ร้อนแล้วบริโภคน้ำที่มีการทำให้วิปริตผิดแปลกไปพวกเดรัธีเหล่านั้นย่อมติเตียนดูหมิน่นพวกท่านคือพวกพี่สุในพุทธศาสนาว่าพวกสมณะสักยะบุตรเบียดเบียนอินทรีย์ชีวะอยู่อย่างหนึ่งก็คือดื่มน้ำเย็นเนี่ยนะดื่มน้ำเย็นเนี่ยเรียกว่าดื่มสิ่งมีชีวิตว่า ง, งั้นเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตเถ้าเขาเอาไปต้มเขาไม่คิดว่ามันบาปบ้างหรือไงนะข้าสัตรมีชีวิตอะไรเขาไม่ได้คิด่ะนะ เพราะฉะนั้นขอพวกท่านจงบรรเทาจงขจัดปัดเป่าคําติเตียนดูหมิ่นอันนั้นของพวกเดรัจฉ์เหล่านั้นเถิดเนี่ยนะก็คือมีคนที่เขาบอกว่าพวกดื่มน้ำเย็นเนี่ยพวกนี้ฆ่าสัตว์ทั้งนั้นแหละนะเบียดเบียนสัตว์มีชีวิตเหมงอนนต้องเคาะเขาสิต้มให้เดือดก่อนแล้วก็กินเนี่ยนะมันก็แปลกกันยังไงอ่ะนะคิดได้ยังไงรูด ล, ลทัทธิแต่ละละทัทธิอ่ะนะวิจิตจริงๆเลยนะอะไรจะวิจิตเท่ากับจิตไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็ถามพระเจ้ามิลิน พระนาคเกษณจตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษน้ำไม่มีชีวิตรอชีวะสัตตก็ดีไม่มีอยู่ในน้ำเนี่ยนะแต่ทว่าเพราะความที่กำลังแห่งความร้อนแห่งไฟมีมากมายน้ำก็เลยส่งเสียงร้องล้าอย่าง ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าเพราะความที่กำลังลมและแดดรุนแรงน้ำที่อยู่ในโพรงในสระในลำธารในทะเลในตระพังน้ำร่องน้ำที่ซอกเขาบ่อน้ำที่ลุ่มสะโบกกรณีจึงถูกขจัดไปจนถึงความสิ้นไปใช่ไหมลมและแดดแรงๆเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำนี่แห้งได้เลยมั้งก็แต่ว่าน้ำในสถานที่เหล่านั้นย่อมทรงเสียงร้องหลายอย่างหรือนอ ะนะแม่น้ําที่มันแห้งเนี่ยนะสระน้ําที่ตอนต้นเนี่ยหน้าฝนนี่แม่น้ําเต็มเลยตอนหลังก็ลมก็แรงแดดก็แรงในที่สุดก็แห้งไปหมดเนี่ยไอย้น้ําพวกนั้นมันร้องมั้งไหมหาไม่ได้พระคุณจเจ้ามาขอถวายพระพรถ้าหากว่าน้ําพึงมีชีวิตไซน้ําแม้ในสถานที่เหล่านั้นก็ต้องส่งเสียงร้องถ้าน้ําตรงนั้นมีชีวิตทั้งลมทั้งแดดมาเล่นงานเนี่ยนะน้ำก็ต้องร้องแหมเจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยนะแต่ถ้าใบน้ําไม่ร้องเลยล่ะ เพราะฉะนั้นขอถวายพระพรด้วยเหตุผลดังเหตุผลแม้ข้อนี้ก็จงทราบเถิดว่าชีวะก็ดีสัตว์ก็ดีไม่มีอยู่ในน้ำแต่ทว่าเพราะความที่กำลังความร้อนแห่งไฟมีมากมายน้ำจึงส่งเสียงร้องล้าอย่างด้วยกันคือเข้าสำคัญแบบนั้นจริงๆนะนะลัทธิเนี่ยเมื่อถ้าเราไปอินเดียนี่ไม่แปลกใจเลยว่าลทัทธิยินเหล่านีมันมีอยู่ในโลกเนี่ยนะมันมีสารพัดลทัทธิจริงๆเลยแหละอยู่นั่นลนะ ต่อไปขอถวายพระพรพระองค์จงสดับเหตุผลแม้ข้ออื่นที่ว่าชีวสัตตะไม่มีอยู่ในน้ำจริงเนี่ยนะแต่ว่าเพราะความที่กำลังแห่งความร้อนแห่งไฟมีมากมายน้ำก็เลยส่งเสียงร้องล้าอย่างอีกหน่อยเธอขอถวายพระพรในเวลาที่บุคคลยกน้ำที่ปนเข้าสารซึ่งอยู่ในภาชนะปิดฝาขึ้นวางไว้บนเตาก็น้ําบนเตานั้นย่อมส่งเสียงร้องหรือหนอ หมายความว่าเอาน้ําเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็เทเข้าสารลงไปก็ไปวางไว้บนเตาเฉยๆน้ํามันร้องไหมน้าร้องให้เลยใช่ไหมหาไม่ได้ก็บอกน้ําเป็นอันสงบนิ่งไม่สั่นไม่หวั่นไหวเลยอ่นะขอถวายพระพรน้ําที่อยู่ในภาชนะนั่นแหละพอจุดไฟเผาในเตาให้ลุกโพลงเสียก่อนแล้วค่อยวางบนเตาน้ําที่อยู่บนเตานั้นก็ยังคงสงบนิ่งไม่สั่นหวั่นไหวอยู่นั่นเองหรือ หามีได้พระกุนเจ้ามันก็ย่อมสันวันไว้ก็เพิ่มเดือดขุ่นขึ้นเกิดเป็นระลอกคลื่นแล่นไปอย่างทิศน้อยทิศใหญ่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างแล้วก็เออแผ่เป็นฟองไปเนี่ยน้ำก็ก็เป็นอย่างนั้นไปขอถวายพระพรเพราะเหตุไรน้ำตามปกติจึงสงบนิ่งไม่สันวันไว้ล่ะส่วนน้ำที่อยู่บนไฟเพราะเหตุไรจึงสันวันไว้ก็เพื่มเดือด ขุนขึ้นเกิดเป็นระลอกคลื่นแล้วก็เล่นไปยังทิศน้อยทิศใหญ่ในทิศเบื้องบนเบนืบ้องล่างเ อ, อ่อแพเป็นฟองไปเล่าพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าน้ําตามปกติไม่สั่นไหวน้ําที่อยู่บนไฟส่งเสียงร้องล้าอย่างก็เพราะความที่กําลังความร้อนแห่งไฟมีมากมายสรุปพระเจ้ามิลินก็ตอบเองให้ว่าเพราะกําลังแห่งไฟนี่แหละทําให้น้ําส่งเสียงขอถวายพระพร เพราะเหตุผลแม้ข้อนี้ก็จงทราบเถิดว่าชีวสัตว์ไม่มีอยู่ในน้ำแต่ทว่าเพราะความที่กําลังแห่งความร้อนแห่งไฟมีมากมายน้ำจึงส่งเสียงร้องล้าอย่างขอถวายพระพ ร, พรพระองค์ทรงสดับเหตุผลเม้ข้อนหนึ่งอีกว่าสัตว์ก็ดีชีวสัตตะไม่มีอยู่ในน้ำ แต่ถ้าว่าเพราะความที่กำลังความร้อนแห่งไฟมีมากมายน้ำจึงส่งเสียงร้องได้ยิ่งขึ้นอีกหน่อยเถิดขอถวายพระพรเรือนแต่ละหลังเขาจะมีการใส่น้ำขังไว้ในถังน้ำหรือปิดฝาเอาไว้ไม่ใช่หรือทุกบ้านเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ไม่มีน้ำประปาใช่ทุกคนก็จะมีโอ่งน้ำเก็บน้ำกันทุกบ้านไม่ใช่หรือใช่พระกลเจ้า แต่ว่าน้ํานั้นย่อมสันไหวกระเพื่อมเดือดขุนขึ้นมาเป็นระลอกคลื่นเล่นไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งเบื้องบนเบนื้องล่างเออแผ่เป็นฟองขึ้นได้หรืออยู่ๆแล้วน้ํามันล้นมาจากตุ่มเองอย่างนี้นะเคยเห็นไหมเคยมีไหมหาไม่ได้พระคุณเจ้าน้ําที่อยู่ในถังน้ําปกตินั้นย่อมมีอันไม่สันไหว ขอถวายพระพรพระองค์ทรงสดับมาหรือไม่ว่าน้ำในมหาสมุทรก็สั่นไหวกระเพื่อมเดือดขุ่นขึ้นมาเกิดเป็นระลอกคลื่นเล่นไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเออแผ่เป็นฟองไปซัดขึ้นไปกระแทกฝั่งส่งเสียงหลายอย่าง ก็คือได้เคยได้ยินเสียงน้ำในทะเลไหมว่า ง, งั้นเถอะง่ายๆนะเคยได้ยินเสียงน้าในทะเลไหมบอกใช่คพระเจ้าได้สดับมาว่าน้ำในสมุนนั้นนะ่ะซัดขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงชั่วร้อยศอกบ้างพันศอกบ้างมันมีอยู่เกาะแห่งหนึ่งนะเป็นเกาะที่ ท, ที่ทะเลเนะี่ยใกล้ทะเลมาก แล้วก็เกาะอันเนี้ยข้างล่างทะเลเนี่ยแผ่นดินมันสุดเนี่ยนะแผ่นดินมันมันเกิดแผ่นดินไหวในในตรงทะเลอ่ะข้างในทะเลแล้วก็แผ่นดินมันก็สุดไปมันเกิดเป็นระลอกคลื่นเนี่ยมันพัดเอาแบบพัดเอาเกาะนั้นไปเยอะเลยะนะกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยกำลังแห่งคลื่นมันขึ้นสูงมากาเลยพันธบางแห่งเนี่ยจะมีกระลอกคลื่นเนี่ยขึ้นสูงมากะนะอย่างบางทีเนี่ยพายุอ่าพายุเข้ามาเนี่ยคลื่นเนี่ยสูงเป็นเป็นสิบสเมตรอนะ ถ้าพายุแรงๆจริงเนี่ยพระนาคเกษนก็ถามว่าพเพราะเหตุไรน้ําที่อยู่ในถังจึงไม่สัน่นไม่วันไหวไม่ส่งเสียงร้องทําไมน้ําในมหาสมุทรจึงสั่นไหวแล้วก็ส่งเสียงได้ละ่ะพระคุณเจ้าก็น้ําในมหาสมุทรสัน่นวันไหวเพราะแรงลมมีมากน้ําที่อยู่ในถังน้ําอ่ะไม่ถูกอะไรกระแทกกระทำจึงไม่สัน่นจึงไม่หวันไหวส่งเสียง ขอถวายพระพรน้ำในมหาสมุทย่อมสั่นไหวย่อมส่งเสียงเพราะแรงลมมีมากฉันใดน้ำที่อยู่บนไฟส่งเสียงเพราะกำลังความร้อนแห่งไฟมีมากฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรธรรมดาว่าขอบปากหน้ากลองเนี่ยนะเขาใช้หนังโคหุ้มไว้ไม่ใช่หรือกลองเนี่ยกลองก็คืออะไรก็คือไม้เอ า, นา ห, ห, เนหนังมาหุ้มใช่ไมไม้มีโพรงเนี่ยไม้เป็นโพรงแล้วกหนังมาหุ้มอ่ะใช่ไหมบอกใช่ แต่ว่าชีวสัตตะก็ดีมีอยู่ในกลองหรือมีใครไปอยู่ในกลองไหมไม่มีหรอกขอถวายพระพรทําไมกลองจึงส่งเสียงในเราทําไมกลองมันดังอะ่ะพระคุณเจ้ากลองส่งเสียงได้เพราะความพยายามที่เกิดจากความประสงค์ของหญิงหรือชายนั้นเช่นนั้นนะอย่างในในมิสวิสุทธิมรก็อุปมาว่าจากักขวิญญาณเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเสียงกลองไนงะอาศัยจักขูกับรูปจึงเกิด จากขววิญญาณขึ้นก็เหมือนกับอาศัยกลองอาศัยไม้ตีกลองกระทบกันเข้าเสียงกลองก็ดังขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มีสัตว์มีชีวะอะไรอยู่ในนั้นจริงอุปมาฉันใดอุปมาอีก็ฉันนั้นเหมือนกันน้ําที่ส่งเสียงได้เพราะความที่กําลังร้อนแห่งไฟมีมาก ขอถวายพระพรแม้เพราะเหตุผลข้อนี้ขอพระองค์จงทรงทราบไว้เถิดว่าชีวสัตว์ไม่มีอยู่ในน้ําน้ําส่งเสียงได้เพราะความที่กําลังแห่งความร้อนแห่งไฟเนี่ยมีมากนะไฟมันร้อนมากก็เลยทําให้น้ําเกิดเสียงดังขึ้นมาขอถวายพระพรคําที่พระองค์ตรัสถามอาตมาภาพก็มีอยู่ถึงก็มีอยู่เพียงเท่านั้นนะน ะ, ะซึ่งข้อนี้ก็เป็นปัญหาที่อาตมาภาพวินิจฉัยดีแล้วตามประการดังกล่าวมานี้ ขอถวายพระพรน้ําที่เขาใช้ภาชนะทุกอย่างต้มให้ร้อนย่อมส่งเสียงได้ทั้งนั้นหรือไรน้ําทุกอย่างเอามาต้มเนี่ยนะภาชนะทุกอย่างต้มแล้วส่งเสียงดังหมดใช่ไหมเขาบอกว่าภาชนะบางอย่างต้มให้ร้อนเท่านั้นจึงจะส่งเสียงได้ภาชนะบางอย่างต้มแล้วไม่มีเสียงเหมือนขอพระเอิบพระคุณเจ้าน้ําที่เขา น้ำที่เขาใช้ภาชนะทุกอย่างต้มให้ร้อนย่อมส่งเสียงทางนั้นหามิได้น้ำที่เขาใช้ภาชนะบางอย่างเท่านั้นต้มจึงจะส่งเสียงได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าพระองค์ทรงละทิ้งความเห็นของพระองค์อ้าวเปลี่ยนความคิดไปแล้วนี่อ่างนั้นนะ หันกลับมาสู่วิสัยของอัตมาภาพที่ว่าชีวสัตตะไม่มีอยู่ในน้ําขอถวายพระพรถ้าหากว่าน้ําที่ถูกเขาใช้ภาชนะแม้ทุกอย่างต้มให้ร้อนก็พึงส่งเสียงได้ทั้งนั้นไช้ก็ควรที่จะกล่าวว่าน้ํามีชีวิตอันนะั้นหมายว่าถ้าต้มเอาที่ไหนต้มเมื่อไรอย่างไรมันก็ต้องส่งเสียงดังไปหมดเออมันก็พูดได้ว่ามันมีชีวิตแต่นี้มันไม่ใช่เป็นความจริงว่าน้ำเนี่ยนะไม่มีการแตกแย ก, กเป็นสองประการ ส่งเสียงได้อยู่ก็ชื่อว่ามีชีวิตพอส่งเสียงไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่มีชีวิตนั่นนะไมไม่มีการแบ่งว่าเออตอนที่มันร้องออกมาตอนนั้นมีชีวิตตอนที่มันอยู่นิ่งๆไม่มีชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นหรอกขอถวายพระพรถ้าหากว่าน้ำเพิ่งมีชีวิตสายเวลาที่ช้างใหญ่มีร่างกายสูงใหญ่กำลังตกมันเนี่ยนะ แล้วก็ใช้งวงดูดน้ําพ่นเข้าไปทางปากจนถึงท้องน้ํานั้นเมื่อถูกบทขยี้อยู่ในระหว่างกรามของช้างเหล่านั้นก็จะส่งเสียงดังเคยเห็นช้างเล่นน้ําและช้างอน้ำเนี่ยมันร้องโอ้ยปวดเหลือเกินเนี่ยนะช้างมาสูบเข้าสูบเข้าเข้าท้องทําไมเป็นตอนเนี้ยไอ้หนี้เพราะฉะนั้นน้ําเหล่านั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ส่งเสียงหรือเรือที่ยาวถึงรนะ้อยศอกเนี่ยนะเช่นเรือบรรทุกต่างๆเนี่ยนะ เป็นเรือหนักเต็มไปด้วยของหนักๆ ห, หลายร้อยหลา ย, ลายพันอย่างเที่ยวไปในมหาสมุทรน้ําถูกเรือใหญ่เหล่านั้นบดขยี้อยู่ก็น่าจะส่งเสียงร้องถ้ามันมีชีวิตจริงอะนะเพราะฉะนั้นเรือวางาวางเรือไว้ในน้ําน้ําก็ต้องร้องสิหรือปลาใหญ่ๆมีกายากายาวกายยาวเนี่ยนะเป็นร้อยโยอดเช่นปลาติมิติมิงคละอ่านนะปลาตีรัมิงคละดำมุดกระมุ ด, ด, มดลงไปในน้ํามหาสมุทรใช้มหาสมุทร เป็นที่อยู่อาศัยทั้งกินทั้งพ่นทานน้ําใหญ่น้ําที่ถูกบทขยี้ระหว่างฟันปลาแม้เหล่านั้นก็น่าจะส่งเสียงเพราะฉะนั้นน้ําเนี่ยไม่แปลว่าไม่มีชีวิตใช่ไหมเอางั้นก็แล้ประเพณีลอยกระทงอ่ะทําไมก็ขอขมาน้ํขขาก็บอกว่าขอขมาเทพพ ย, ยดาที่อันนะั้นเรียกว่าพวกพระแม่อะไรนะเป็นเทวดาที่อาศัยน้ําหมือ น, นะอย่างเช่นในในชาดกทั่วไปเราก็เรียกว่านางมณีเมฆขาใช่ไหม เทวดาที่ดูแลประจำสมุทรหรือว่าเทวดาที่อาศัยน้ำอ่ะนะเทวดาที่อยู่ในน้ำทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวน้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้ำเนี่ยนะมีชีวะจริงถ้าปลาตัวใหญ่ๆอาศัยน้ำน้ำก็ต้องร้องถึงความเจ็บปวดใช่มแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น พระนาคเสด็จพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าสาทุดีจริงพระคุณเจ้าปัญหาที่มีโทษท่านก็ได้จําเนกอย่างเหมาะสมแล้วคือปัญหาอันนี้เนี่ยพวกเราฟังแล้วจะเฉยแต่ว่าคนแขกเขามีความหมายกับเขามากนะนะคความคิดแบบนี้นะคำตอบแบบนี้มันมีมันมีความสําคัญกับเขามากเพราะเขาถือว่าน้ําเป็นชีวะอย่างหนึ่งเนั้นบางคนเนี่ยดื่มน้ําเย็นไม่ได้ก็เดี๋ยวเบียดเบียนชีวะเป็นต้นเนี่ยเป็นลัทธิเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โตเลยนะ เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าจำแนกได้อย่างเหมาะสมแล้วพระคุณเจ้าน่ากเกษรเปรียบเหมือนว่าแก้วมณีที่มีค่ามากพอส่งไปถึงช่างแก้วมณีผู้ฉลาดอัจฉริยะชำนาญมีการศึกษาแลว้วก็พึงได้แต่ข้อที่น่ายกย่องข้อที่น่าชมเชยข้อที่น่าสรรเสริญอีกอย่างหนึ่งแก้วมุกดาพอส่งไปถึงช่างแก้วมุกดาก็พึงได้แต่ข้อที่น่ายกย่องข้อที่น่าชมเชยข้อที่น่าสรรเสริญอีกอย่างหนึ่งผ้าเนื้อดี พอส่งไปถึงช่างตัดเสื้อผ้าแล้วก็เพึงได้แต่ข้อที่น่ายกย่องข้อที่น่าชมเชยข้อที่น่าสรรเสริญฉันใดพระคุณเจ้าน่าเกษณปัญหาที่มีโทษท่านก็ได้จำแนกว่าอย่างเหมาะสมแล้วฉันนั้นเหมือนกันข้าพเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมานี้แม้กระทั่งต้มน้ําเดือดมาตั้งเป็นปัญหาท่านก็ยังตอบดีอย่างนั้นเถอะนะก็ยอมรับว่าเอาคนตอบนี่เก่งมากมีความรู้ความสามารถดีเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะ